สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสุ่ราการธรรมะสบายสบายกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตจากวัดบวรนิเวศมิหารนรมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรวันนี้นะคะพระอาจารย์บอกว่ามีประเด็นเรื่อง ข, ขันติขันติคือความอดทนยมว่าก็ดีเหมือนกันถ้าสมมุติว่าจะพูดเรื่องของขันติเพราะว่าในชีวิตประจําวันของทุกๆคน ตัวโยมเองแล้วก็ตัวคนรอบข้างก็คงจะต้องใช้ความอดทนกับหลายๆเรื่องเพื่อให้ชีวิตในวันนั้นมันผ่านไปได้อย่างราบรื่นใช่ไหมเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของขันติจริงๆประเด็นตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคือคว่าอยู่ที่วัดบวรเนี่ยนะเขาพรรษาเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมของพระใหม่อยู่กิจกรรมของพระใหม่เนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาจะได้รับมอบหมายให้ เข้าไปเขียนกระทูขึ้นมาหนึ่งหนึ่งอันกระทูเนี่ยถ้าเปรียบเป็นก็คือเอาไว้ซ้อมเขียนกันเทศนั่นแหละเขียนกันเทศขึ้นเท ศ, เทศอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็จะใช้คาว่าเรียงความแก้กระทูรมเราก็จะเอาหัวข้อเนี่ยมาจากพุทธสุภาษิตดักหลักเนี่ยก็จะเอามาจากหนังสือพุทธสุภาษิตเล่มหนึ่งก็เป็น อ่าพุทธภาษิตสั้นๆให้พระใหม่เนี่ยได้เอามาหัดแต่งหัดอ่าอธิบายขยายข้อความธรรมะแล้วก็วิเคราะห์ว่าเอาไปใช้ยังไงกับชีวิตประจำวันโดยที่อ่าก็จะมีประเด็นต่างๆเนี่ยสิบครั้งเลยสามเดือนก็คือสิบครั้งครั้งละหนึ่งอาทิตย์ที่นี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าก็จะมีอยู่กระทู้ที่ฟังผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นต้น กระทูว่าขันติหีตะสุขาวหาพอแปลเป็นไทยก็แปลว่าขันตินำมาซึ่งประโยชน์ในความสุขทีนี้พอฟังไปฟังไปแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็มีมุมมองแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเรียงความซะมากกว่ามันจะไม่ได้เป็นการแก้กระทูธรรมแล้วเรียงความกับแก้กระทูธรรมนี่ต่างกันยังไงเจ้าคะเรียงความก็เหมือนเราเราขยายความขยายความเนี่ย ว่าสมมุติว่าอิทธิบาทสีมีอะไรแล้วเขียนว่าอิทธิบาทสีก็มีฉันทะฉันทะคืออะไรวิริยะวิริยะคืออะไรจิตตะคืออะไรไม่รังสาคืออะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียงความแต่ว่าถ้าแก้กระทู้ธรรมเนี่ยมันต้องมีบทวิเคราะห์ด้วยอย่างเช่นอัตติอัตโนนาโถ ổ, ต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างเงี้ยถ้า เวลาแก้กระทู้ธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าตนเนี่ยเป็นที่พึ่งได้อย่างไรที่พึ่งมันเป็นยังไงใครจะอธิบายที่พึ่งยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็ต้องมาขมวดให้ว่าตนเนี่ยเป็นที่พึ่งของตอนได้อย่างไงแล้วมันดียังไงล่ะมันก็จะมีคําถามมากมายตามมาในประเด็นนี้เลยแหละ ว, ว่าอเป็นยังไงเพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราเขียนได้ดีเนี่ยคนฟังก็จะได้ความรู้ไปด้วย แล้วก็ได้เขาเรียกว่าเอาคำเอาธรรมะเนี่ยที่มีที่เราได้แจกแจงดีแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยอ๋อธรรมะมันเป็นอย่างนี้แหละ้เราไปผูกโยงนี้นได้ไประโยชน์นี้ๆๆๆๆนี้เกิดขึ้นวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอากระทู้ของพระใหม่เนี่ยมาคุยให้ฟังก็อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ว่ากระทู้เนี่ยเขาใช้พระบาลีที่ว่า ขันติหิตะสุขาวหาแปลว่าความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขที่นี้เราว่ามาพูดถึงความอดทนก่อนความขันติคือความอดทนเนี่ยเราก็จะอธิบายความอดทนสัหน่อยหนึ่งว่าความอดทนเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราพูดว่าความอดทนความอดทนความอดทนอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะคิดไปได้หลายแบบ เจ้าค่ะทีนี้เรามาตีตีกรอบชนิดหนึ่งว่าไอ้ความอดทนเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้ก็มีคําถามว่าทําไมเราต้องอดทนละ่ะทําไมเราถึงต้องมีความอดทนแล้วถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยมันจะเป็นยังไงความอดทนมันน่าจะทําให้มันเกิดสันติสุขนะเจ้าค่ะทีนี้ไอ้ตัวอดทนเนี่นะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคืออด นึงตัวนะแล้วก็ทนด้วยหนึ่งตัวหมายความว่าเวลาเรามีเรื่องกระทบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งเนี่ยเราต้องอดไว้ก่อนอดก็คือถ้าในมุมมองที่ของพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่เคยได้ว่าไปแล้วในหลายๆตอเลยเนี่ยพรเจ้าเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องของใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์หรือพยายามจะ ทำความเข้าใจมันเนี่ยเราอย่าไปมองข้างนอกย้อนกลับข้า ง, าางหลังในเราเอาใจเราเนี่ยเป็นเป็นตัวบทเป็นตัววิเคราะห์เป็นตัวที่จะเอานำธรรมะเหล่านี้เนี่ยให้ให้เอาไปใช้ให้มันได้เห็นภาพแต่ถ้าเรามองภาพอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ได้ภาพอยู่แต่มันก็จะไอความเชื่อมโยงของธรรมะเนี่ยมันจะขาดหายไปเป็นบางอันเพราะว่าความนึกซึ้งจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ย ออกมาจากใจสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ใจเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงมันก็จะเชื่อมโยงไม่ได้เพราะนั้นอดเนี่ยก็คือว่าใจเราเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่เกี่ยวกับอารมณ์อย่างที่เคยว่าไปแล้วการทางานของใจเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างยอมแอร์จำได้ไหมรับจำรู้คิดใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องก็คือรับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์ด้วยนะ เพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันมีหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาอดเนี่ยก็ <c oughs> คือต้องอดอารมณ์นะหมายความว่าอดที่จะไม่ไปสวยอารมณ์ตรงนั้นหรือเวลาอารมณ์ตรงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อดเอาไว้หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเงี้ยเราก็อดเอาไว้อดที่จะไม่สวยมันต่อไปสวยไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีเราก็อดได้อดที่จะไม่สวยมันต่อไป เราก็ไปหาอารมณ์ดีๆเนะี่ยมาแทรกแทนได้เป็นตน้นทนคำว่าทนเนี่ยมันก็เหมือนกันนะคำว่าทนเนี่ยก็คื อ, อ, อไม่ให้มันหวั่นไหวนะตั้งอยู่ได้หมายความว่าปกติเวลาที่เราโดนอารมณ์มากระทบใจเราเนี่ยใจเรามันก็จะหวั่นไหวไปตามอารมณ์นะอารมณ์โกรธใจแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟอยากจะไปด่าเขาอยากจะไปว่าเขาอยากจะไปทำร้ายเขาเป็นตน้น เราต้องทนเอาไว้ทนยังไงล่ะทนที่ที่จะหมายถึงว่าเราอดที่จะไม่รับอารมณ์เหล่านั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทนได้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่ก่อนหน้าเนี้เราก็โดนกระทบอารมณ์อย่างเนี้ยทําให้ใจเรามันหวันไหวเราก็ต้องตั้งมั่นไม่ให้ใจเราเนี่ยมันไปคิดมันไปเกาะไปย้ําอยู่กับอารมณ์เสียๆนั้น เพราะนั้นอดก็คืออดที่จะไม่ไม่ไปสวยอารมณ์เหล่านั้นต่อทนก็คือทนต่อแรงที่มันกระทบจิตของเราได้ใจของเรานี่ทนได้ไม่ให้หวันไหวไปตามอารมณ์ที่มันมากระทบใจเราเพราะฉะนั้นอดทนเนี่ยบางคนอพอพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้อภาพมันดูไม่เหมือนสิ่งที่เราจะเข้าใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ถ้าเป็นภาพเข้าใจง่ายๆก็เหมือนว่าใครมาแกล้งเราอะไรแล้วกอ็อดทนอยู่ได้หมายความว่าจริงๆมันก็เหมือนกันนะก็คือทนอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบเราสิ่งที่เข้ามาแกล้งเราสิ่งที่เข้ามาทําให้เราไม่พอใจอันนี้ก็เป็นด้านภายนอกจริงๆแล้วก็อยากให้มองย้อนเข้าไปถึงด้านจิตใจด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอดทนจริงๆเนี่ยมันเป็นอาการของจิตด้วยเพราะว่าจิตเรามันเป็นอย่างนี้นี่ ตาเราร่างกายเรามันจึงไปตามอำนาจของจิตเราถ้าจิตเรามันทนไม่ได้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์แล้วมันก็มีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมันยังทนไม่ได้อีกมันก็หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มันปรุงแต่งด่าเขามั่งแหละไปทำร้ายเขาบ้างแหละอันนี้เป็นตอนเพราะมันทนไม่ได้มันก็จึงไหลไปตามความคิดปรุงแต่งทางด้านที่มันเป็นอกุศลซ อ่าอันนี้คือส่วนของคำว่าอดทนทีนี้เวลาที่ทำไมเราถึงต้องอดทนพู้เจ้าเนี่ยตรัสไปว่าขันติปรมังตะโปติติขาแปลว่าขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งนี่ขันติคือความอดทนอดกลัน้นเป็นตะบะอย่างยิ่ง เพราะนั้นท่านใช้คําว่าอดกลั้นเนี่ยมาขยายคำว่าอดทนด้วยนะหมายความว่าอีกในยะหนึ่งของคำว่าอดทนเนี่ยคืออดกลั้นด้วยทนอย่างเดียวก็ถูกต้องแล้วแต่มันต้องมีขยายไปอีกในหนึ่งในให้มันกว้างขวางขึ้นเนี่ยต้องมีกลั้นเข้ามาด้วยนะกลั้นคืออะไรล่ะไม่ให้มันหลุดออกมานะหมายความว่าเวลาเรากระทบไปแล้วเราทนไปแล้วมันอาจจะหวั่นไหวบ้างนิดหน่อยแล้วเราก็กลั้นเนี่ยไม่ให้มันหลุดออกมาทั้งตาเราได้ ไม่ให้มันหลุดออกมาทั้งปากเราได้ไม่ให้มันหลุดออกมาทั้งมือทั้งไม้เราได้กลั้นมันได้ให้มันอยู่เฉพาะจำกัดอยู่ในภายในไม่ให้มันล้นทลักออกมายูออกมาจากภายในสู่ภายนอกเพราะนั้นอดทนอดกลั้นมันมีในญาตมันกว้างขวางนะมันกลั้นด้วยไม่ให้มันออกมาข้างนอกได้ด้วยเพราะนั้นความหมายของคขว่าอดทนเนี่ยมันจริงอยู่เน้นอยู่ในภายในจริง อดทนไม่ให้มันออกมังนอกสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ต้องกลั่นมันไว้ไม่ให้มันออกมังนอกไม่ให้ปล่อยของเสียออกมาของนอกให้มันเป็นพิษกับคนรับข้งขงเราก็ <c oughs> ตัวยมเองเนี่ยไม่ค่อยอดทนอดกลั้นนะเจ้าคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เดือดร้อนใครอย่างเช่นเราอยู่ในรถขับรถคนเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเจอความเห็นแก่ตัวของคนรอบ ถนนใกล้ๆตัวเราอย่างเงี้ยก็มักจะอดทนไม่ได้นะอดทนไม่ได้ไหมายความว่าเราก็อดไม่ไ ด, ด้อดไม่ได้แล้วก็ทนไม่ได้แล้วก็ทนไม่ได้ไไ ด, ด้ว ย, วยใช่แล้วก็ก็จะมีแบบว่าคือถ้ามีคนนั่งอยู่ก็จะรู้ว่าหน้าเราเนี่ยหงุดหงิดแล้วล่ะ <Ừ. S 2> หรือว่าหรือว่าก็จะได้ยินเสียงที่เราบ่นอะไรออกไปเงี้ยคือแบบมันมันมันรู้สึกอึอดอัดมันรู้สึกว่ามันอยากมันอยากจะพูดมันอยากจะแบบบ่นมนันอะอะไรอย่างเงี้ย มันอดไม่ได้แล้วก็ทนไม่ได้เจ้ค่ะเพราะนั้นแสดแงว่าขันติเราเนี่ยยังเป็นตัวน้อยอยู่ยังเล็กมากค่ะยังเล็กมากทีนี้พระเจ้าเนี่ยใช้คำว่าขันติความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งนะถ้าพูดถึงตะบะเนี่ยยมแอคิดถึงอะไรล่ะมันมันคือคือคุณดึกใช่เจ้าค่ะพวกฤษีมันเป็นตะบะทรมาน ร่างกายแล้วก็บําเพ็ญตะบะอยู่ในป่ามันนั่งบางทีก็ถ้าอย่างในอินเดียเนี่ยเราจะเห็นว่าการบำเพ็ญตะบะเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะหลายรูปแบบอย่างเช่นอเอามือกามมือเนี้ยแล้วให้เล็บมันยาวไปเรื่อยๆจนทะลุหลังมือออกมาก็มีแล้วก็อย่างพวกที่ไปนอนบนเหล็กแหลมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีทําไมเขาถึงบําเพ็ญอย่างนั้นนะเพราะว่า เขามีความเชื่อว่าการที่เขาอาอย่างนี้เขาเรียกว่าลทัทธิเหมือนทรมานร่างกายตน น, นนะหมายความว่าถ้าเขาทรมานร่างกายตนไปแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นตบะตะบะเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีมาจากตับะธาตุแปลว่าไฟแปลว่าแผดเผาคือเวลาทำอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะแผดเผากิเลสในในใจเราออกไปได้เขาเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างบางที่บางลัทธิก็อาจจะอ ไม่นุ่งห่มผ้าเป็นต้นอดทนต่อความหนาวความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเ้าก็เชื่อว่าทําอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยกิเลสคือความไม่ดีความชั่วในจิตใจเนี่ยจะลดน้อยลงด้วยวิธีการเหล่านี้แต่พระเจ้าเนี่ยอ่าไม่ได้ไม่ได้ยึดตามแนวนั้นแต่พระเจ้าตรัสว่าความอดทนอดกลั้นนี่แหละขันตินี่แหละคือเครื่องแผดเผา ผเผากิเลสอย่างดีเลยเม็นตะบะอย่างยิ่งคือเครื่องแผดเผากิเลสในใจเราเลยอย่างยิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอดทนอดกลั้นได้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่ากิเลสที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันจะโดนแผดเผาเหีร้อนแล้วมันก็ตายลงไปเพราะฉะนั้นการที่เร า, ามาบําเพ็ญตะบะเนี่ยก็คือในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระเจ้าก็ให้มาอดทนอดกลั้นก่อนเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ย ในวันอุทัปฏิโมกเนี่ยท่านตัดอันแรกนะขันตีประวังทปติติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นตะบะอย่างยิ่งเลยเพราะนั้นคนที่จะมาฝึกหัดปฏิบัตินะในพุทธศาสนาเนี่ยจำเป็นต้องมีธรรมะข้อ น, นี้เลยเพียนแผดเผากิเลสต้องมีความอดทนจริงๆมีความอดทนอดกลั้นที่จะทำปฏิบัติธรรมไปได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่ใช่ว่าทําเรื่องดีแล้วเราไม่ต้องใช้ขันตินะก็ต้องใช้ขันติเหมือนกันนะมากอ่าคือแต่อย่างน้อยๆเนี่ยอต้องบอกว่าพระเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าสัพปะปัสสะการะนังกุศลาสู้ประซึมประาคือหมายความว่าไม่ทําชั่วทั้งปวงแล้วก็ทําความดีให้ถึงพร้อมมันเป็นนัยยะที่มันลึกซึ้งมากนะท่านใช้ว่า สับบะปาปัสสะอกระนังเนี่ยก็คือไม่ทําความชั่วทั้งปวงหมายความว่าความชั่วที่มีในโลกนี้เราไม่ทําเลยนะสักอันหนึ่งแล้วก็ถ้าสังเกตไปอีกนิดหนึ่งท่านจะใช้คําว่ากุศลสู้ประสัมปทาทําความดีให้ถึงพร้อมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่ต้องความทําความดีทุกอย่างบนโลกนะแต่เราทําให้มันถึงพร้อมถึงพร้อมในที่ที่เราจะสามารถไปทําที่สุดของความทุกข์ได้ แต่ความชั่วเนี่ยไม่เอาเลยห้ามทําเด็ดขาดทั้งปวงเลยแม้น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นหัวใจผู้ศาสนาก็คือนี่แหละอย่างน้อยๆเนี่ยอันแรกที่เราเริ่มต้นเลยคือต้องเริ่มที่ไม่ทําชั่วนะต้องเริ่มที่ไม่ทําชั่วก่อนนะใครบอกว่าการมา ป, รปฏิบัติธรรมแล้วคือเราทําดีทดําดีไม่ถูกหรอกจริงๆต้องเริ่มที่ไม่ทําเลวก่อนไม่ทําความชั่วก่อนเพราะว่าคนทําดีเนี่ยก็ยังทําความชั่วได้นะ ใช่จ้ะค่ะอย่างบางคนเนี่ยคิดว่าเออวันนี้เราไปให้ทานเราไปรักษาศีลแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ยังบ่นลูกเมียอยู่บ่นพ่อแม่อยู่ยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาแล้วเราเลิกทาสิ่งไม่ดีได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆใ น, นชีวิตมันเสมอตัวนะเสมอตัวแล้วเราก็ ค่อยๆทาความดีไปอย่างเช่นเราก็เลิ้ยงดูพ่อแม่อยู่บ้านไงนะเราก็เลี้ยงดูพ่อแม่พาแม่ไปกินข้าวบ้างพาแม่ไปช้อปปิ้งบ้างแล้วก็พูดคุยถามสารทุกสุขดิบถึงเราจะไม่ได้กลับบ้านทุกวันอ่ะกลับอาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็ให้เวลากับเขาบ้างอ่าเป็นตน้นเพราะฉะนั้นโอ้พูดไปพูดมามันก็รู้สึกจะออกน้ําออกทะเลไปพอสมควรนะเจ้าค <c oughs> <c oughs> ่ะความอดทนอดกลั่นอดทน เป็นตะบะอ่าไม่ใช่สิความอดทนแกล้นเนี่ยนำความเอ่อนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขทีนี้ความอดทนเนี่ยมันนํามาซึ่งประโยชน์และความสุขยังไงล่ะมันนํามาซึ่งประโยชน์เนี่ยอย่างนี้นโอ้บางคนก็อดทนมันจะไปมันจะมีประโยชน์ยังไงได้บ้างไม่ต้องอะไรมากถ้าเราดูกันแบบโลกโลกเนี่ยนะถ้าเราทํางานแล้วเราไม่อดทนเนี่ยมันก็ไม่ดีนะทำงานมันก็เหนื่อยทํางา น, นก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่ง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนให้ได้อดทนต่อสิ่งที่มันจะมากระทบกระเทือนใจเราเนี่แหละให้เราอดทนสิ่งเหล่านั้นได้เพราะเราอดทนต่อสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยพูดง่ายคือใจเราก็เข้มแข็งนะเข้มแข็งแล้วเราก็จะมีกำลังของใจเนี่ยที่จะทำดีต่อไปหมายความว่าถ้าคนที่อดทนไม่ได้เนี่ยใจก็จะเป็นใจที่ไม่มีกำลังพอไม่มีกำลัง ก็ไม่อยากที่จะทำอะไรต่อทำความดีต่างๆเราก็ทำต่อไม่ได้เราก็ท้อแท้อ่อนแอเรื่อยๆเฉยๆไปเพราะฉะนั้นมันจะนำประโยชน์มาก็ไม่ได้เลยเพราะเราก็ท้อแท้อ่อนแอมีงานมีการเราก็ไม่ทำางั้นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เกิดแทนที่เราจะได้เงินเดือนเต็มเม็เดเต็มหน่วยทำงานเสียหายเจ้านายก็หักเงินเดือนเราบ้างเป็นต้นนะแต่ทีนี้ถ้าเราอดทนไปได้เราก็ มุ่งมั่นที่จะทำดีต่อไปได้ขยันที่จะทำงานทาการให้มันดีหรือไม่อยู่ในครอบครัวเราอดทนต่ อ, อชีวิตครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องกระทรบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราอดทนได้เรากอา็อดทนเนี่ยต้องหมายถึงในยะที่ว่าเป็นเมื่อกี้ด้วยนะอดทนเข้าไปในจิตเลยนะหมายความว่าอดที่จะไม่ไปสวยอารมณ์ที่มันมากระทรบกระทั่งใจเราด้วย ทนตดอารมณ์ที่มันมากระทบกระทั่งใจเราด้วยแล้วก็กลั่นในสิ่งที่มันจะไม่ดีเนี่ยให้มันออกไปข้างนอกนกลั่นให้ได้ด้วยหมายถึงว่าบางทีสมมติอยู่กันคู่สามีภรรยาเงี้ยแล้วเกิดเขากลับบ้านผิดเวลาเราก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆว่าเอ๊ะเขาไปแอบมีกิ๊กไหม อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องอะไรอาจจะไม่ได้คิดในทางที่ดีหรอกส่วนมากจะคิดว่าไปไปทำไม่ดีมากกว่าใช่มันคือการปรุงแต่งไปเองใช่สุดท้ายเนี่ยพอกลับมาเนี่ยก็โกรธเลยสิ่งเราที่ <laughs> อย่างแรกก็คือถาโถมไอ้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยที่เราปรุงแต่งเอาไว้เต็มเพียบเลยแล้วเนี่ยประเดี๋ระดังใส่ไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีขันติคือความอดทนนะมันก็จะกลั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กลั้นไอ้คำเสียเสียกลั้นไอ้ความคิดเสียเสียเนี่ยเหล่านั้นเนี่ย ออกไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีขันติที่มันมีกำลังเราก็จะกลั่นกลั่นไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่สิ่งเสียๆ เ, เหล่านั้นเนี่ยกลั้นเอาไว้ไม่ให้มันออกไปเพราะนั้นสิ่งที่เราจะปล่อยออกไปล่ะคืออะไรเป็นยังไงมาล่าเหนื่อยไหมอ้๊ามันเป็นวาจาที่มันน่าฟัง น, ะะน่าฟังอ่อนหวานเป็นวาจาที่ยังไปเพื่ อ, อประโยชน์สุขเป็นวาจาที่ทาให้คนฟังเาก็ เ, เกิดเาเรียกว่า จิตที่มันมันดีอ่ะแช่มชื่นเบิกบานแต่แล้ ว, ว่าไม่เห็นเวลาเหรอทำไมเนี่ยกลับออมาป่านนี้โอ้ยใจเราตัวตรกระทบ ก, กระทั่งมากเลยนะเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยยังเคยเห็นนะเจ้าคะเพราะว่าตัวอย่างเช่นตัวสามีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีหรอกเขาก็ทํางานนั่นแหละแต่ว่า พอกลับมาแล้วฝ่ายภรรยาปรุงแต่งมากมายว่าไปทําเรื่องไม่ดีไปไปไปมีกิ๊กหรือเปล่าก็ตามเนี่ยทําให้กลับมาแล้วก็เจอแต่เสียงบน่นบ่นบ น, บ น, บนเสียงพูดที่ไม่ดีกลายเป็นว่าเขาก็เลยเบื่ อ, อแล้วก็รักษาครอบครัวไม่ได้ต้องแยกย้ายกันไปชเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีคันตินะแน่นอนคือชีวิตเราเนี่ยจะมีทุกข์เลยนะ ประโยชน์ที่มันจะได้จากขันตินี่นคือความสงบสุขของชีวิตนะความสงบสุขของชีวิตแลวคนมีขันติเนะยท่านจัดไว้ในหมวดหมู่อันที่ว่าเป็นคนเป็นธรรมะที่ทำให้คนงามอะ่ะเวลาคนมีขันติทำไมถึงงามละ่ะแม่คิดว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงท่าทางที่มันไม่น่ารักหรือว่าไม่ได้พูดคำพูดอะไรที่มันไม่น่าฟังใ ช, ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ เวลาคนเราเนี่ยนะพูดถึงความงามเนี่ยมันก็มีงามหลายอย่างนะงามร่างกายก็เป็นงามอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นงามที่เรา เ, เลือกไม่ได้นะมันเป็นกรรมที่มันตกแต่งมานะค่ะแล้วก็สิ่งที่พอจะตกแต่งได้บ้างก็คืองามอาภรณ์เนี่ยนะงามเสื้อผ้ามาตกแต่งให้มันดูดีนะแล้วมันมีงามอีกสองตัวนะคืองามมารยา แล้วก็งามจิตนี่แหละที่มันจะเป็นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่างามมารยะกับงามจิตเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดชีวัดความงามของคนเลยนะคือให้หน้าตามันจะสวยดีขนาดไหนเป็นขนาดแบบนางงามจักรวาลก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ถ้าว่าเจอใครด่ากราดไปปากซอยยันท้ายซอยหรือไม่ก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนแล้วก็ ที่จะทิมแทงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต่อยเขาหน้าตาดียังไงแต่งตัวสวยงามเรื่ศรุ่ยยังไงเนี่ยคนนั้นเราก็ไม่อยากจะเอามาเป็นคู่เราอะนะแต่ถ้าหน้าตาเขาก็ไม่ได้พิกลพิ ก, การอะไรครบสามจุอแต่เขานิสัยใจคอดีเป็นคนดีอยู่ด้วยใจเราก็ร่มเย็นอยู่ด้วยใจเราก็แช่มชื่นคนนี้เนี่ยโอกาสมีคู่เนี่ยมากกว่าคนอื่นนะ โอกาสมีคู่มากกว่าคนสวยๆอีกนะเพราะฉะนั้นคนที่อยากมีคู่เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมาตกแต่งความงามมารยาท ก, กับงามจิตของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเป็นการทำให้งามในภายในเพราะงามในภายในเนี่ยนะมันทำให้เ้าเรียกมันมีรมัศมีมันมีรัศมีเปล่งปลัง่งดูยังไงยังงายยังไ ง, ง, ไ, งไม่ว่าจะแก่จะเท่ายัางไงก็ยังสดชื่นอยู่เสมอเพราะว่า จิตเรามันเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่ช่อมชื่อเป็นจิตที่เบิกบานใครอยู่ใครก็สดใสกับเราตลอดเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะขันตินี่ก็เป็นอันหนึ่งนะที่ทำให้เกิดความงามตรงนี้ขึ้นมาได้หมายความว่างามมารยาทกับงามจิตเนี่ยมันก็มีหลายเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีขันติด้วยเป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งเวลาที่เรามีเราไม่มีขันติเนี่ย อย่างที่ว่าไปแล้วเราก็จะพูดไม่ดีใส่ใครเวลามองใครก็มองตาของขวางด้วยเวลามันกรอดอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็สแสดงกิริยาท่าทางที่มันเป็นไปจากจิตที่มันขุนมัวเพราะฉะนั้นงามารยาท ก, กับงามจิตจริงๆนะมันแยกกันไม่ออกหรอกเพราะว่าร่างกายมันก็ประพฤติไปตามอํานาจของจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นยังไงร่างกายก็เป็นอย่างนั้นจิตมันหยาบร่างกายมันก็ประพฤติห ย, ยาบหยาออกไป เพราะนั้นเราอยากให้เรามีมารยาทที่ดีมารยาทงามเนี่ยเรามาฝึกจิตเราฝึกจิตให้จิตเราเนี่ยเป็นจิตที่ เ, เป็นจิตที่งามเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนประณีตเป็นจิตที่งามเนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะฝึกยังไงขันติเป็นตัวหนึ่งนะที่จะทำให้จิตเรามันงามได้ในนวโกว่าต์เนี่ยก็จัดอยู่ในหมวดที่ว่าใครมีขันติและสละจัเนี่ยท่านก็จัดว่าเป็นคนงามเป็นธรรมะที่ทาให้คนเนี่ย คนงามเราไม่ด่าใครเราไม่ทําประพฤติกริยาอยากใครกับใครอย่างเงี้ยหนึ่งเราก็ไม่ไม่ขัดทุนแล้วล่ะใครมาดา่าเราเราไม่ด่าดตอบเนี่ยใครเห็นใครก็ยกย่องเรานะว่าโอ้โอคนนี้นะเป็นคนเยือกเย็นนะเป็นคนใจเย็นนะแล้วกเ็เป็นคนที่มีความอดทนดีอะ่ะเพราะฉะนั้นมันแสดง ถึงศักยภาพของจิตเลยว่าอ๋อเขาเป็นคนที่ดีนะแล้วไม่ใช่ว่าผลที่ได้เนี่ยกิริยามารยาทมันก็เรียบร้อยไปด้วยนะมาจากจิตที่มันอดทนแล้วผลประโยชน์ที่มันได้ขึ้นมาอีกเนี่ยเถ้าเราเป็นเจ้านายคนนะเราก็อยากจะหาลูกน้องประเภท น, นี้มาทำงานด้วยนะเป็นคนอดทนไม่บน่นไม่ว่าใครไม่ทาร้ายใครโอ้เป็นคนประเภทเงี้ยแบบมีไวใน ที่ที่ทำงานจะดีมากจริงๆแล้วยอมว่าไอ้ความขันติเนี่ยมันใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งทั้งทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานในชีวิตส่วนตัวใช้ได้ตลอดเวลาสมมุติว่าถ้าเราไม่มีขันติหม่หมายถึงว่าไม่มีความอดทนในการที่จะทำงานยากๆให้มันผ่านไปมันก็คงจะไม่ได้ผลสําเร็จของงานหรืว่าถ้าเราไม่ไม่ อดทนต่อความกระทบกระทั่งจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่บ้านที่ทำงานนั้นก็คงจะไม่สงบสุขที่บ้านนั้นก็คงจะไม่ร่มเย็นใช่คือบางทีเนี่ยถ้าพูดมาเดี๋ยวบางคนก็เอมันไม่ได้ภาพที่ดีเท่าไหร่นะยังไม่ได้ภาพชัดเจนะจริงๆอยากจะบอกท่านฟัง น, นิดหนึ่งว่าความสุขของเราเนี่ยเราต้องนิยามให้มันตรงกันด้วยนะบางคนเนี่ยความสุข ก็จะคิดถึงว่าเป็นความสุขอย่างประเภทที่ว่าได้ดูหนังสนุกสนุกหรือว่าฟังเพลงเพราะๆหรือว่าไปอยู่กับคนที่เราชอบพออย่างเงี้ยอันนั้ก็เป็นความสุขแบบหนึ่งแต่มันเป็นความสุขที่อ่คนละแบบอ่ะคนละแบบกับในความสุขที่ที่คนมีขันติเพราะว่าในความสุขอย่างที่เราไปกินข้าวอร่อยไปอยู่กับคนที่เราชอบพอเนี่ย หรือดูหนังฟังเพลงที่ที่มันสนุกเนี่ยอันนั้นมันเป็นความสุขที่ว่ า, เ, าเรียกว่าความสุขทางากา ร, รมคุณทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันเขาเรียกว่าอิงอามิตนะเป็นความสุขที่มันยังเจือไปด้วยทุกเจือไปด้วยโทษอยู่ทีนี้ถ้าวันไหนเนี่ยเราได้ความสุข เราก็ดีใจไปจากรูปรสเกณฑ์เสียงสัมผัสเนี่ยนะแต่ทีนี้วันไหนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเป็นโทษเกิดขึ้นเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยความสุขจากที่ได้จากขันติเนี่ยมันเป็นความสุขประเภทที่ว่าเป็นความสุขที่ได้จากเราระ ง, งับโทษที่มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าเราคิดว่าถ้าเราเดินหรือว่าเราทํางานอันนี้ไปเนี่ยนะแล้วเราจะต้องเสียเงิน ร้อยล้านแล้วเราก็สามารถที่จะทำเหตุให้หนึ่ง้อยล้านที่เราจะต้องสูญเสียในอนาคตเนี่ยให้มันไม่สูญเสียได้เป็นความสุขประเภทนี้นะลักษณะเดียวกันความสุขที่ห้ามจากสิ่งที่มันจะเกิดความไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันไม่เกิดขึ้นได้เปอนความสุขประเภทหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นความสุขที่อันเนี้ยมันไม่ได้เจือไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีภยภายหลังตามมา มันเป็นความสุขที่ว่าเราว่ามันดีกว่าไปสุขจากที่ได้รูปรสเปลี่ยนเสียงสัมผัสที่มันดีอันนี้เป็นความสุขที่มันความสุขในภายในเป็นความสุขที่เยือกเย็นเป็นความสุขที่ได้มาจากความสงบระงับจากโทษซึ่งเป็นประโยชน์สุขที่มันดีกว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาอย่างที่เราคิดแบบความสุขแบบทางกรรมคุณนะ่ะนะเจ้าค่ะซึ่งขันติเนี่ยต้อง ความอดทนเนี่ยมันต้องมันต้องฝึกด้วยนะเจ้าค่ะฝึกสามตัวไงฝึกอดแล้วก็ฝึกทนแล้วก็ฝึกกลัน่นโอ้ <laughs> มันไม่ใช่เรื่องง่าย แ, แต่พื้นฐานเนี่ยจะอดจะทนหรือจะกลั่นเนี่ยพื้นฐานมีอยู่ตัวเดียวก็คือสตินี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วเรามีต้องบอกว่าสัมมาสตินะเจ้าค่ะพอพูดถึงสัมมาสติก็อยากให้ท่านฟังเนี่ย กลับไปฟังตอนที่ที่แล้วเพราะว่าได้พูดถึงสัมมาสติเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสัมมาสตินะมีสัมมาสติก็คือระลึกที่มันเป็นไปในกุศลรู้ว่าอะไรเป็นกุศลรู้ว่าอะไรเป็นอกุศลจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นกุศลก็เข้าใจว่าเป็นอกุศลหรือเป็นอกุศลเกิดขึ้นก็เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งดีอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้น สัมมาสติก็คือระลึกแล้วเนี่ยมันจะรู้ด้วยว่าอันเนี้ยเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเหตุเกิดทุกข์ไหมอย่างเช่นความโกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะไม่ไปต่อมันเราก็จะอดมันเราก็จะต้องทนมันแล้วเราก็จะกลั้นมันไม่ให้ไม่ให้มันออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นสัมมาสติจึงเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราสติสติสัมมาสติอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดบ่อยๆ มันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดตลอดแน่นอนก็คือมันก็จะมีจิตที่หลงไปเห็นว่าความโกรธอันนี้หรืออารมณ์ต่างๆที่มันไม่ดีเกิดขึ้นอันนี้อ่ามันเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยมันยินดีพอใจนะแล้วมันก็จะทําไปตามอํานาจอารมณ์อันนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจของเรามีความโกรธเป็นต้นโกรธปุ๊บแล้วก็ไปเลยเพราะเรามันมีสติเหมือนกันเห็นว่ามันโกรธเหมือนกันจะเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสติ พอเป็นมิจฉาทิศสติปุ๊บมันก็ยินดีในความโกรธนั้นแล้วก็อยากที่จะทําอยากจะพูดแล้วก็คิดไปด้วยอํานาจของความโกรธของเราแต่ถ้าสมาร์สติมันเกิดขึ้นเราก็ติดเบรกได้นะเออตัวโกรธนะเพราะฉะนั้นขันติมันจริงจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วแหละ ว, ว่าเราจะต้องอดแล้วเราก็ต้องทนให้ได้แล้วก็กลั้นไม่ให้มันไปคิดกลั้นไม่ให้มันออกมาทาง ทางวาจาแล้วก็กลันไม่ให้มันออกมาทางาทางกายโดยการกระทำของเราเพราะนั้นจะฝึกขันติก็คือต้องมีสติเป็นพื้นฐานเพราะนั้นเราจะมีสติเป็นพื้นฐานเราก็ต้องมาฝึกสตินี่แหละเพราะนั้นฝึกสติก็ได้ขันติพาเป็นผลด้วยเหมือนกันมันเป็นมันเป็นผลต่อเนื่องนะะใช่ก็ฝึกสติง่ายๆได้อย่างไรก็ก็คือ ลูกมานั่งสมาธิทุกวันตอนเช้ า, านั่งสมาธิสักห้านาทีก่อนนอนแล้ก็ในระหว่างวันที่เราใช้ชีวิตรประจําวันก็อยู่กับลมหายใจใพยายามระลึกถึงลมหายใจให้ได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเกิดอารมณ์โกรธไม่พอใจแต่ว่าถ้าเราอยู่กับลมหายใจได้เราก็คือหมายถึงว่าเรามีการฝึกสติอยู่อย่างต่อเนื่อง เกือบตลอดเวลาก็จะทําให้สติเรามีกำลังใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราก็จะต่อสู้หรือว่าอดหรือว่าทนหรือว่ากลั้นกับอารมณ์ที่มันมากระทบได้อ่าอย่างนี้ก็จะแจงให้มันละเอียดขึ้นอีกนิดนึ่งค่ะอ่าที่ยมแอว่าเมื่อกี้เนี่ยฝึกสติถูกต้องเลยเพราะเราฝึกสติเป็นสัมมาสติที่มันต่อเนื่องมีกําลังเนี่ยผลที่มันได้คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คืออารมณ์ที่มันตั้งมั่นนี่แหละอารมณ์ที่มันสงบระงับจากนิวรน ห้าห้าตัวไปได้เพราะนั้นเราก็จะมีอารมณ์ที่มันสงบเยือกเย็นเบาสบายผ่อนคลายไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเกราะนะเป็นเกราะป้องกันให้เราพอเรามีสัมมาสติตั้งมั่นแล้วสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็จะติดเกราะให้ใจของเราหมายความว่าเวลาเรากระทบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่กระทบกระเทือนมากเพราะ ก่อนที่มันจะเข้ามาถึงจิตเราเนี่ยนะมันก็มีเสื้อกราะที่เราใส่ให้จิตแล้วก็คือสมาธินี่แหละที่ติดเอาไว้เวลามันกระทบกระเทือนเป็นอารมณ์ที่มันไม่น่ายินดีพอใจมันกระทบปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดเกราะคือความสงบของเราไว้ก่อนหมายถึงว่าสัมมาสมาธิเนี่ยอารมณ์ของสมาธิตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกรองอารมณ์จากภายนอกมาก่อนเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเนี่ย เหมืนวันนี้เราใจสบายทั้งวันเลยแล้วตอนเย็นกลับมากำลังขับรถกลับบ้านเจอคนขับรถปาดหน้านิดหนึ่งซึ่งปกติเนี่ยเราก็โกรธปี๊ดขึ้นมาแต่วันนี้โอยเราใจสบายมากก็เลยอ่ะมันไปนแล้วหละหยุนหยุนมันไปก็มีความขัดเคืองบ้างเกิดขึ้นในจิตแต่ไม่ปี๊ดเท่าแต่ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอารมณ์ดีที่มันมากรองเอาไว้ก่อนอารมณ์ดีที่มันมาอคอยช่วยคอยเยียวยา ไม่ให้จิตของเราเนี่ยตัวนกระทบกระเทือนมากเพราะฉะนั้นเราก็พูดง่ายๆนะเราก็จะมีขันติที่เราฝึกได้ดีขึ้นด้วยนะหมายความว่าเราก็จะติดเปลืกได้เร็วขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมาข่มใจเข็นใจมากที่ว่าไฟมันลุกท่วมบ้านแล้วจะต้องอดต้องทนต้องกลั้นให้ได้เงี้ยมันก็จะไม่ต้องใช้กําลังมากขนาดนั้นหมายความว่าถ้าไฟไม่บ้านเนี่ยมันก็ต้องเรียก รถดับเพลิงหลายคันแต่ทีนี้ถ้าไฟมันไม่กล่องกระดาษอยาเงี้ยแล้ก็ไปตักน้ํามาถังหนึ่งราดมันก็จบแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นไฟกลองเล็กเราก็ไม่ต้องใช้กําลังของจิตที่จะต้องมาอดมันมากทนมันมากหรือว่ากลั้นมันมากๆก็ไม่จําเป็นเราก็จะไม่เหนื่อยว่า ง, ง่ายๆเพราะฉะนั้นขันติเราก็จะทํางานได้ได้สบายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องให้มันลําบากลําบนมากขึ้น ต้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่เรื่อยๆคอยเห็นลมหายใจเราอยู่เรื่อยๆจนใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะทําให้อะไรๆในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไปได้งราบเรือนราบเรียบเบาสบายแต่ถ้าขาดสติตัวเดียวนะชีวิตเรามันจะหนักขึ้นมาทันทีเลยอย่างขันติเราก็ต้องใช้อย่างหนักหน่วงเลย เพราะว่าเราไม่มีเครื่องป้องกัน ร, รักษานะเหมือนกับว่าบ้านที่มันปราศจากรั้วรอบขอบชิดบ้านที่มันประตูก็เปิดไว้ตลอดเวลาหน้าต่างก็เปิดไว้ตลอดเวลาแล้วก็แถมกำแพงบางด้านก็ยังพังๆผุๆให้คนก็นดีสัตว์ก็ดีเนี่ยเข้ามาได้ด้วยถ้าเรามีสิ่งของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็ต้องเหนื่อยในการรักษามากอะ่ะต้องอทางซ้ายทีทางขวาทีทั้งนั้นทีทางนี้ทีเพื่อที่จะ รักษาสิ่งของในบ้านของเราให้มันปลอดภัยดีอยู่เพราะนั้นเวลาที่สติไม่ดีก็เหมือนบ้านที่มันรั้วรอบขอบชิดไม่ดีประตูนหน้าต่างก็เปิดไว้อะไรอย่างี้นะแต่ถ้าเรามีสติที่คอยคุ้มครองใจเราดีแล้วเนี่ยบ้านก็เป็นบ้านที่แข็งแรงประตูหน้าต่างก็ปิดมิดชิดแล้วรั้วรอบขอบชิดเนี่ยก็เป็นปราการชั้นนอกได้อย่างดีใครก็ไม่ได้เข้ามาได้ง่าย เพราะฉะนั้นกระบวนการธรรมะของเราก็จะไปได้แบบสบายๆมันชื่อรายการนะธรรมะสบายๆเจ้าค่ะบางวันเนี่ยโยมก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันมากระทบเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ทําร้ายเรามากแสดงว่าวันนั้นเนี่ยสติดีก็ต้บอกว่าก็มีส่วนคืนหมายถึงว่าสติดีหรือไม่ก็ของเก่าเนี่ยเราตุนไว้ดีอาจจะสติไม่ดีนะ หายว่าอาจจะเผลอบ้างไปเรื่องอื่นบ้างแต่หมายถึงว่าอารมณ์ของเก่าเราเนี่ยยังตุนอารมณ์ดีไว้เยอะอืมก็อาจจะทําให้มันถัวถ่วๆกันไปแต่ถ้าเราไม่ไม่กลับมาที่ลมหรือไม่มีสติที่คุ้มครองใจเนี่ยสักพักเนี่ยของเก่าเราก็มันก็หมดได้พอหมดได้ทีนี้เราก็จะป่อแปะเหมือนเดิมแล้วเออเต๊ะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็อีกแล้วพออีกแล้วปุ๊บเราก็ โอ้ oh, ไม่ได้แล้วฉันจะต้องมาดูลมแล้วฉันจะต้องมาดูมลมลตอนนั้นไม่ทันแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้โดนอย่างนี้จนเข็ดไปเลย <c oughs> <c oughs> จะได้แบบว่ามีสติอยู่ตลอดตลอดตลอดคุ้มครองตลอดไม่ปล่อยให้มันเผลอนะนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุยไปเร่เปื่อยนะก็เริ่มต้นมันจากขันติยังไม่เร่เปืยนะเจ้าคะพระอาจารย์เพราะว่า เรื่องของความขันติเรื่องของเรื่องของอดทนเนี่ยเราก็จะต้องแบบมันจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจาวันมากมายอยู่แล้วแล้วก็จริงๆการจะฝึกขันติได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการมีสติแล้วก็มีสัมมาสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติธรรมซึ่งเราก็ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจาวันก็คืออยู่กับลม ให้ใ<ช>ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าถ้าฝึกฝึกไปอย่างอย่างอย่างเช่นตัวโยมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราก็พยายามฝึกที่จะอยู่กับลมหายใจในในกิจกรรมหรือว่ากิจกวัตรประจําวันของเราเนี่ยแล้วมันก็ทำได้ได้นานขึ้นเจ้าค่ะมันก็สามารถทําได้นานขึ้น<ด>ก็<ด>แสดง ว, ว่ามันก็เกิดความคุ้นคุ้นชินแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปไปได้ในทางที่ดีด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะต้องฝึกจนไม่ฝึกอะ่ะเข้าใจปะฝึกจนไม่ฝึกเข้าใจเจ้าค่ะก็คือ ฝึกให้จนทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติน่ะมันน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยถึงนั่งสมาธิบ้างไม่นั่งสมาธิบ้างแต่ว่าในกิจกรรมของเราในแต่ละวันก็จะพยายามอยู่กับลมหายใจ ม, มันก็มัน น, น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีเจ้าค่ะเพราะนั้นก็ต้องพยายามบอกท่านฟังว่าอยากจะบอกให้ฟังว่าฝึกให้จนเป็นนิสัยนี่แหละคือพอมันเป็นนิสัยเราก็จะได้ ไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝืนใจตัวให้ทำอย่างน้นให้ทำอย่างนี้พอมันเป็นนิสัยเนี่ยมันก็เราก็ทำไปได้เรื่อยๆไม่มีอาการที่มาต้องหนักต้องรู้สึกอึดอัดที่จะต้องต้องทำให้มันดีทำให้เป็นนิสัยมันก็ไปของมันได้แล้วง่ายๆเราก็จะเป็นคนนิสัยดี <laughs> นั่นเองก็เชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะมาเริ่มฝึกสมมาสติ เพื่อให้มีสัมมาสมาธิแล้วเราก็จะมีขันติตามมานั่นเองใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นขันติเนี่ยก็ขอให้ท่านฝึกฝึกให้มากมากเพราะว่าเป็นตะบะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเลยเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเจริญธรรมมีสติมีสมาธิแล้วก็มีขันติเป็นต้น เค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะสบายบายแล้วนะคะลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้กราบน้ำมาศาการพระอาจารย์สุชาติแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเช่นพร